เมื่อคืนญาติโยมกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมนะก็ได้มาถึงวัดป่าสุขโตกรุ่มศาปธิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะ่ของวัดป่าสุขโตเรียกว่ามีความผูกพันกันมาสามสิบกว่าปีแล้วสมัยที่คุณอุณทิชยชัยทนวะีศักดิ์สิริผลยังเป็นประธานกลุ่มแล้วก็ ตอนนั้นก็พามิตฉาหายนะมาที่วัดป่าสุกโตตั้งแต่สมัยที่ที่นี่ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเรียกว่าไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้นะหอตรตรงนี้ก็ยังไม่มีศนะาลานอกศาลาใหญ่ก็ยังไม่ได้สร้างศาลาไก่ตอนนั้นก็ยังเป็นศาลาเล็กๆกุฏิที่มีมากมายเวลานี้ก็ ตอนนั้นก็ยังไม่มีนะเป็นเพียงแค่ป่ายญ้าป่าพงาตรงนี้จำได้ว่ากลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมพามิสหายมาช่วยแจกของให้กับชาวบ้านาชาวบ้านใหม่บ้านกุดงงนะตั้งแต่ปีนียปีสองห้านะก็สาิบสามปีมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ มาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นประจำโดยจัดโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เราธรรมหรันษารรมหันษานี้ก็เป็นกิจกรรมที่ญาติโยมก็สนใจนะคุณวิธิตชัยก็พาไปสวนโมกบ้างแล้วก็พามาที่วัดป่าสุขโตบ้างสมัยที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ ก็เรียกว่าช่วยนะเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลรัป่าสุขกโตมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งคุณวุฒิชัยนะได้เสียชีวิตหละะักชนะกิจกรรมก็พลาลงนะแต่ก็มีมาอยู่เป็นครั้งคราวเพราะว่ามิตรสหายของคุณวุฒิชัยที่ยังมีความระลึกถึงก็ยังจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อสิ่งที่คุณวุฒิชัยได้ทาไว สาลาน้ําเนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์คุณวุฒิชัยก็ยังมีรูปติดอยู่ในสาลาน้ําคนที่มาหาอรรมาที่สาลาน้ําเนี่ยเวลาเห็นรูปก็ต้องว่าเป็นรูปอรตมา ต, ตอนที่ยังไม่ได้บวชก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะรูปคุณวุฒิชัยะหน้าตาต่างกันเยอะเลยนะแกก็สูงด้วยแล้วก็เรี้ยนคนละคณะ นะแม้ว่าจะธรรมาสามเหมือนกันเอาคันนี้พวกเรามานะก็ถือว่าเป็นการมา เ, เยี่ยมเยียนนะเพื่อนเก่าแล้วกลับมาสู่บ้านหลังที่สองอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนได้เคยพูดไว้ว่านเนี่ยสุกโตเป็นบ้านของพวกเรานะแม้ไม่ใช่บ้านหลังแรกก็คอยเป็นบ้านหลังที่สองนะพร้อมต้อนรับได้พร้อมต้อนรับตลอดเวลาไม่ว่าจะ เฮิรนห่างกันอย่างไรใจก็เราลึกถึงและเมื่อมีโอกาสาประจวบเหมาะก็มาเยี่ยมเยียนกันอย่างที่บอกไว้แล้วว่ากิจกรรมที่มานี้ก็เรียกว่าโครงการธรรมหรันษาก็เป็นชื่อที่ดีมากนะเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยลึกถึงธรรมะก็นึกถึงความเคร่งเครียด เคร่งครัดนะความเข้มงวดนะที่จริงธรรมะเนี่ยนะถ้าหากว่าเข้าถึงแล้วเนี่ยก็จะเกิดความร่าเริงเบิกบานนะมันมีคำหนึ่งก็เรียก ว, ว่าร่าเริงอาจฐานในธรรมนะฐานสานี่มันไม่ได้หมายถึงความสนุกอย่างเดียวนะอันนั้นเรียก ว, ว่าหารัรหรหันนะหรัรหรหันเนะี่ยคือสนุก ซึ่งคนก็ปรารถนาคนก็ต้องการเป็นส่วนใหญ่นะวันปีใหม่นะวันสงกรานต์คนก็อยากจะฮัลล์หันอยากจะสนุกสนานอันนั้นเป็นเรื่องทางโลกนะแต่ว่าความหันษายอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นได้คือความร่าเริงเบิกบานไม่ใช่เพราะว่าได้สนุกไม่ใช่เพราะว่าได้เสพอ่า สุขเวทนานะที่เราจิตกระตุ้นใจเช่นดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยและหรือว่าสวนเสเฮ ห, หากันตะเกิดจากใจที่เป็นอิสระจิต ท, ที่โปรงโร่งเบาสบายไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลนะอันนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเกิดความร่าเริงเบิกบานและความร่าเริงเบิกบานแบบนี้เนี่ย นะต้องอาศัยธรรมะนะให้ความการเสพนะสุขคเวสนาอย่างที่ผู้คนแสวงหาปรารถนานี้มันไม่ทำให้เกิดความร่าเริงเบิกบานได้อย่างแท้จริงนะในาสาพุทธการมีพระรูปหนึ่งนะชื่อว่าพระพัติยะพระพัติยะนี่ก่อนบวชก็เป็น เรียกว่าวาที่พระราชานะท่านเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่สูงศักดิ์แล้วก็มีชื่อที่สุขสบายว่าที่พระราชานี่ก็เรียกว่ามีสิ่งเสรหรือว่าโภกรนะซับพรั่งพร้อมแม้มีดนตรีขับกล่อมปรารถนาอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการ แต่ว่าท่านก็มีเหตุให้ต้องบวชนะไม่ได้บวชด้วยความสมัครใจก็คือเพื่อนนะเพื่อนสนิทเนี่ยมาขอร้องให้ไปบวชเพราะถ้าพระปฏิยะไม่บวชตัวเองก็บวชไม่ได้นะอันนี้เป็นเงื่อนไขของพ่อแม่เพื่อนคนนั้นคือพระอนุรุทธะนะม า, าขอให้บวชนะอยากจะบวช ที่พระนุรุธอยากจะบวกเพราะรู้สึกว่าเข้าใจว่าบวชแล้วสบายนะไม่ได้เพราะว่าศรัทธานในพระศาสนาหรือพระตนรมตรยัยเห็นคนอื่นบวชกันนะตามตามเรียกว่าตามรอยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระญาติชั้นผู้ใหญนะ่เป็นศักยะเหมือนกันนะพระนุรราก็จะบวชบ้างนะก็ต้องชวนเพื่อนนะ พัทิยาก็เลยต้องบวชบวชแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาในพระธรรมนะจนกระทั่งเข้าถึงเข้าถึงธรรมอย่างแจ่มแจ้งมีวันหนึ่งท่านก็อยู่พูดเดียวแล้วท่านก็เป็นธรรมนองเปลยหรือรำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอ ก็ม <Vander> ีเพ <an uter> ื s s ่อนพระบางอ่นได้ยินก็ไปกราบทูลพระเจ้าก็เข้าใจว่าพระปฏิญาณนี้กาลังนึกถึงชีวิตในสมัยที่ยังเป็นคารวะครองเรือนนึกถึงความสุขในสมัยที่ยังแวดล้อมเด็กโภคทรัพย์พระเจ้าก็เลยเรียกพระปฏิญามาแล้ก็ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะสุขหนอสุขหนอ พระประทิยก็ตอบว่าเนี่ยสมัยที่ยังเป็นกษัตริย์นี่มีทุกอย่างพร้อมพรั่งแต่ว่าก็ยังมีความหวาดเสดียวมีความหวาดกลัวมีความเครียดแม้มี อ, องค์รักษ์มากมายก็ยังมีความหวาดกลัวแต่ครั้นได้มาบวชแล้วเนี่ยครองผ้าสามพื้นฉันอาหารมื้อเดียวต้องบินทบาทแล้วก็อยู่โคนไม้ กลับมีความสุขนะมีความสุขมากก็เลยลำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอเพราะว่าได้พบกับความสุขที่แท้นะอันนี้ก็เป็นความร่าเริงเบิกบานที่เกิดขึ้นกับท่านเพราะว่าการที่ท่านได้เข้าถึงธรรมมรรคชนิดที่ล้วาจิตเป็นอิสระนะจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้ทุกข์ได้สมัยที่ยังเป็น คารวาสคารพหัดนะแม้ว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ก็ยังมีความหวาดกลัวมีความเครียดมีความวิตกกังวลไม่ได้สบายใจเลยก็คล้ายๆกับยศสกุลบุญนะอย่างที่เราได้เคยได้ยินยศสกุลบุญแหละก็ร่ารวยเหมือนกันนะมีภาษาสามหลังคล้ายๆกับเจ้าชายทธรษฐาเลยแต่ก็ไม่มีความสุข แล้วกลางค่ำกลางคืนวันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็เดินออกจากปราสาทเดินอย่างไรจุดหมายแล้ก็เพราอว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะตรงทั้งได้ไปไปพระพุทธเจ้านะที่ป่าอิสิปตนะแล้วก็ไทยวันไกลนะเดินจากพารณาณสีเี่ไปป่าอิสิปตนะในสิบกว่ากิโลก็คงเดินแล้วเดินแบบไม่มีจุดหมายนะ แล้วพอได้พระพุทธเจ้านะพระองค์ก็พูดทักนะให้ได้คิดให้ได้ให้ฉุกคิดว่าเนี่ยที่นี่ไม่บุญวายที่นี่ไม่ขัดข้องนะก็แปลกใจได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตรงนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้พบกับความสุขที่แท้ไม่ั้นความลเริงเบิกบานเนี่ยที่แท้เนี่ยเกิดจาก การที่ได้เข้าถึงธรรมะมันเป็นความมันเป็นความสุขที่ต่างจากที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้รู้จักกันนะผู้คนส่วนใหญ่ในโลกนี่ยเวลาพูดถึงความสุขก็นึงแต่เรื่องการการเสพการบริโภคนะดูหนังฟังเพลงเห็นแสงสีหรือว่าได้ครอบครอง นะทรัพสมบัติไม่เสพก็มีหรือบริโภคแต่แต่ความสุขที่แท้นะที่ทำให้ร่าเริงเบิกบานเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนะใจที่สงบไอ้การเสพการบริโภคเนี่ยมันมีแต่เราจิตกระตุ้นใจให้ตื่นนะแต่ไม่ใช่ตื่นแบบตื่นแบบ ต, แบบตื่นรู้นะ มันเหมือนกับถูกปลุกให้ใหคอยให้ให้จิตนี่มันฟุ้งนะเป็นความสุขที่จิตนี่ไม่ได้สงบเลยเป็นความสุขที่ทำให้จิตฟุ้งและอยากเสพอยากบริโภคเพิ่มขึ้นอีกอยากเสพอยากบริโภคไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นความสุขอย่างแท้จริงนะเพราะมันทำให้ต้อง ดินหล่นต้องสแสวงหาสุดท้ายก็ใจก็ไม่สงบมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนไม่ได้แม้มีอะไรมากระตุน้นแม้มีอะไรมาปลุกเราแต่ว่าใจก็ยังสงบได้อันนี้เป็นความสุขที่แท้นะว่าพระองค์ตรัสว่าสุขอื่นที่กว่ความสงบไม่มีน และความสงบแบบนี้ก็สามารถทำให้จิตใจนะเบิกบานได้คนไม่เข้าใจว่าเนี่ยถ้าถ้ามาปฏิบัติธรรมนะจะกลายเป็นคนเฉยเนื่อยนะกลายเป็นคนที่ไม่กระตือรือร้นนะที่จริงมันตรงข้ามนะถ้าออว่าได้เข้าถึงธรรมจริงๆ จ, งจากการปฏิบัติเนี่ย จิตก็จะมีความตื่นตัวตื่นรู้กระชับกระเฉงล่าเริงเบิกบานเป็นจิต ท, ที่ควรแก่การทํางานท่านใช้คําว่ากรรมนิยากรรมนิยาก็คือคุณสมบัติของจิตเป็นคุณสมบัติทางจิตของผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมแม้เพียงแค่จิตเกิดสมาธิขึ้นมาถ้าเป็นสมาสมาธิเนี่ย จะเกิดกรรมนิยาก็คือควรแก่การงานก็หมายความว่ามีความกระตือร้ น, นมีความเข้าครองไม่ใช่เข้าครองอทางอากับกิริยานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมีความพร้อมนะที่จะทํางานความร่าเริงบวชบาลในทางธรรมนี่มันไม่แปลว่าต้องยิ้มแย้มหัวเ ร, ราะราตลอดเวลาไม่จําเป็นข้างนอกอาจจะดูเงี ย, งยบๆแต่ว่าข้างในเนี่ยใจสงบ แล้วก็รา่าเริงเบิกบานได้เป็นการเบิกบานเพราะใจนี่ไม่มีเครื่องร้อยรักอิสระป่องโร่งเบาสบายเวลาพูดถึงความสงบเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงความสงบที่ไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงรบกวนอันนี้ก็เป็นความสงบที่ผู้คนแสวงหาเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนแม้กระทั่งในบ้านเนี่ย มันก็มีเสียงรบกวนอยู่ในบ้านก็มีเสียงพูดคุยบางทีก็มีเสียงทะเลาะวิวาสเสียงบ่นดา่าจากคนในบ้านออกไปข้างนอกก็มีเสียงรถลาขวักไขว่หรือกระตกคึกโครมไปทำงานก็มีเสียงดังเสียงต่อว่าเสียงติเสีย น, นินทาหลายคนมาวัดก็อยากจะ พบกับสภาพที่มันสงบสงบจากเสียงเหล่านั้นวัดหลายวัดก็สามารถจะทำให้ได้พบกับความสงบแบบนั้นเหมือนกันนะโดยเพาะวัดป่ามันไม่มีเสียงต่อว่าด่าทอไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมเสียงเพลงเสียงโทรทัศนะ์ไม่มีแต่ว่าอันนั้นยังไม่ใช่เป็นความสงบนะที่ที่ยั่งยืนนะที่แท้ วันดีคืนดีก็จะมีเสียงดังจากหมู่บ้านเสียงมหรสศพเสียงอ่าเพลงหนังกลางแปลงเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสอนที่ที่แล้วก็มีเสียงดังจากหมู่บ้านลูกชาวบ้านจะบวชนะเาขาก็เจ้าภาพก็ลยจัดมหรสศพเนี่ยเรียกว่าสองสมวันเลยนะติดต่อกันบางคนอุตสา ทิงเมืองมาหาความสงบที่วัดป่าสุกโตก็ปรกฏว่านอนไม่หลับเพราะว่าเสียงดังแม้กระทั่งค่ำคืนไอความสงบแบบนี้ยังมันยังไม่เที่ยงนะมันยังไม่ใช่เป็นของแท้มันไม่ยั่งยืนคือสงบภายนอกนะความสงบที่ปราศ จ, จากเสียงดังนะหรือถึงแม้จะมาอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงดังรบกวนเลย แต่ใจอาจจะไม่สงบก็ได้นะใจไม่สงบเพราะคุณคิดถึงงานห่วงกังวลถึงลูกนะหรือว่าเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาความพัดเพ่าสูญเสียเกิดขึ้นมาเป็นปีสองปีแล้วก็ยังมีความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงผู้ที่จากไปอันนี้เระว่าสงบข้างนอกแต่ว่าใจไม่สงบนะมาวัดแล้วเนี่ยนะ มันต้องปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมที่สำคัญคือการเจริญสติเพราะสตินี่จะช่วยคุ้มครองใจไม่ให้ความฟุ้งซ่านไม่ให้อารมณ์อกุศล น, นะเข้ามาครอบงำบีบคั้นติตใจใอ้ธรรมาวัดแล้วก็มาเพียงแค่เสพรับบรรยากาศที่สงบอันนี้ยังได้ประโยชน์นะไม่คุ้มค่ากับการมา หรือว่ายัางได้ประโยชน์ที่ไม่เต็มที่เมื่อมาแล้วเนี่ยนอกจากจะได้สัมผัสกับความสงบภายนอกไม่มีเสียงดังรบกวนมีเพียงแค่เสียงนกร้องนะเสียงลมพัดนะเราต้องไปให้มากกว่า น, นั้นก็คือได้พบกับความสงบในใจอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสงบข้างนอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้างในจะสงบนะ มันต้องมีธรรมะเป็นตัวช่วยนะโดยเพราะสติสมาธินะรวมทั้งความรู้สึกตัวด้วยสตินี่หมายถึงความระลึกได้นะและรวมถึงความรู้เท่าทันระลึกได้นี่คือระลึกถึงถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะหรือสิ่งที่เคยได้เรียนรู้มาอันนั้นก็อันหนึ่ง แต่สติยังมีหน้าที่อันนี้ก็คือการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยหรือว่ากำลังเศร้าโศกวิตกกังวลถ้ามีสติที่รวดเร็วฉับไวมันก็จะรู้ทันนะรู้ว่าใจกำลังเผลอไปแล้วเผลอคิดไปอดีตเผลอนึกถึงอนาคตนะทำให้จมอยู่ในอารมณ์ ที่เศร้าหมองหรือความเครยียดความวิตกกังวลพอรู้เนี่ยนะมันก็จะวางสติช่วยทำให้จิตเนี่ยวางนะหลุดจากอารมณ์นั้นหลุดจากความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าความเบาความสบายมันคือสิ่งที่เราแต่ละคนสามารถจะประสบสัมผัสได้นะความเบาความสบาย และทำให้เราเนี่ยสามารถจะเบิกบานได้ถ้าเรามันจเจริญสติอยู่ บ, บ่อยๆสติของเรามีคุณภาพทำงานได้รวดเร็วฉับไวมันก็ช่วยทำให้ใจเราไม่ถูกกระทำย่ำยีด้วยความคิดฟุ้งซ่านนะไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยหลงไปติดอยู่กับเหตุการณ์นหนดีที่เจ็บปวด หรือไม่ปล่อยใจให้ไปหมกมุ่นคลุ้นคิดกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้ลองสังเกตด้วยความไม่สงบในจิตใจของผู้คนทุกวันนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ปล่อยใจนะให้ไปจมอยู่กับอดีตนะหรือไปกังวล น, นะกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงในซึ่งคิดว่ามันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะ พระพุทธเจ้าตอบว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพโองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงส่วนใหญ่คนเราเวลานึกถึงอดีตก็นึกด้วยไม่ได้นึกด้วยสตินะไม่ได้นึกเพื่อใคร่ครวนแต่คร่าครวญมากกว่านะคร่าครวญกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือคับแค้นนะกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมา อันนี้เรว่าไม่มีสตินะมันก็เลยพลัดเข้าไปในอดีตอย่างนั้นหรือไม่ก็ไปพะวงหรือกังวลกับสิ่งที่มาไม่ถึงอันนี้ก็ไม่มีสติเหมือนกันนะแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยนะจิตจะสลัดนะหรือว่าหลุดจากอารมณ์เหล่านั้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันสติมันเป็นตัวดึงพาให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะ และสามารถเกี่ยวข้องกับปัจจุบันได้โดยที่ไม่ได้ยึดติดนะบางทีมันก็มีอารมณ์ในปัจจุบันนะที่ทําให้เป็นทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเช่นเสียงดังเนี่ยหรือความปวดความเมื่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะคือเปนเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยแหละเสียงดังเสียงโทรศัพท์เสียงพูดคุยเสียงอุปกระทึกโ ค, ครมเสียงอเพลงจากหมู่บ้านหรือความปวดความเมื่อยนะที่ กำลังเกิดขึ้นกับเรากับร่างกายของเราในขณะนี้แต่ถ้าเรามีสตินะมันก็ช่วยราาักษาใจไม่ให้กระเพื่อมได้ความปวดความเมื่อยยังมีอยู่แต่ใจนะไม่ทุกข์ด้วยเสียงก็ยังดังอยู่นะแต่ว่าใจไม่หงุดหงิดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้นะแม้กระทั่งขณะนี้เนี่ยหลายคนอาจจะ ใจิตใจไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่เพราะว่าอากาศหนาวนะยังไม่เคยหรือยังไม่ได้เจออากาศหนาวแบบนี้มานานนะอยู่ในกรุงเทพเพอมาเจออากาศหนาวแบบเช้านี้เนี่ยให้ลองสังเกตดูนะว่าให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์กายนะส่วนใหญ่เนี่ยมันกเกิดเพราะความทุกข์ใจมากกว่ามันเป็นความทุกข์ใจมากกว่าแล้วทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ย นะไปต่อต้านผักใสความหนาวใจรู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบความหนาวพอเกิดทุกขเวทนาทางกายเพราะความหนาวใจก็ผักใสทุกขเวทนานั้นไม่ชอบแล้วก็อาจจะบน่นอยู่ในใจมีความไม่พอใจมีความชังไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะที่ทําให้ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดและที่ เรามีอาการอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะไม่มีสตินะมันเลยเผลอนะไปยึดเอาความปวดความหนาวความทุกข์ของกายนะมาเป็นความทุกข์ของใจปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาเป็นผู้หนาวนะแทนที่กายจะหนาวตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันมีแค่นั้นแหละคือกายหนาวหรือว่าความหนาวเกิดขึ้นที่กายแต่ว่า เราไปปรุงโตกูขึ้นมานะเป็นผู้หาวนะไม่ใช่กายหนาวแล้วตอนนี้มันเป็นเราหนาวหรือกูหนาวนะตรงนี้แหละที่ทําให้ทุกข์ใจนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันจะรู้ทันนะว่าใจเผลอปรุงไปแล้วใจเผลอบนไปแล้วนะใจไม่เป็นปกติแล้ว ส, สติช่วยทําให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติ พอใจเป็นปกตินะมันก็เหลือแต่ความทุกข์กายมันก็เหลือแต่ความหนาวกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ใจไม่หนาวอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรานะสามารถจะเรียรู้ได้ไอ้ความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยเรียกว่ารอยทั้งรอยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่ามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจนะ แต่มันเกิดจากจิตที่ไปยึดติดถือมันนะ่นกับสิ่งเหล่านั้นยึดติดถือมั่นก็มีทั้งสองอย่างนะยึดเพื่ยึดแบบอยากมีอยากได้มากๆอยากเสพอยากครองเยอะๆนานๆกับอยากจะผลักสายออกไปไอ้การอยากจะผลักสายนี้ก็เป็นความยึดติดแบบนึงเหมือนกันนะเวลามีเสียงดังเนี่ยเราไม่ชอบ เราอยากจะให้เสียงนั้นมันเงียบมันเป็นความรู้สึกผักใสเสียงนั้นแต่ว่าสองสังเกตนนะยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งจดจอ่อยิ่งไม่ชอบยิ่งจดจอ่อไอ้ความหนาวก็เป็นกันนะมันหนาวตรงไหนเนี่ยใจเราก็จะไปจดจ่อยตรงนั้นแหละตั้งทั้งที่ไม่ชอบไอ้ส่วนที่อุ่นก็มีอยู่เยอะนะกับใจกับไม่สนใจนะใจใจกับไปสนใ จ, ใ จ, ใจไปจดจ่อยอยู่ไอ้ส่วนที่มันหนาวส่วนที่ ไม่มีผ้าปกคลุมเนี่ยแล้วก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราถ้าเรามีสติเท่าทันเนี่ยมันก็จะเลยแต่ความทุกข์กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสงบและความสงบที่ว่าเนี่ยก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะเป็นความสุขที่แท้ความสุขที่ประเสริฐกว่าสุขอย่างอื่น นันจึงไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เราพบว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยหลายคนเนี่ยเขามีความสุขอาจจะสุขกว่าตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยซ้าอย่างเพื่อนอตมาเนี่ยสุภาพรพงพลึกเนี่ยซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินได้เคยดูวิดีโอนะที่บันทึกเรื่องราวของเธอก่อนที่จะเสียชีวิตเธอเล่าว่าเนี่ย สปีสุดท้ายของเธอเป็นช่วยที่เธอมีความสุขมากสองปีสุดท้ายเป็นช่วงที่มะเร็งนะเต้านมมันได้ลุกลามนะไปมากแล้วนะก็เรียกว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายของเธอแต่ว่าใจเธอเป็นสุขนะเพราะว่าได้ปล่อยวางนะได้ปล่อยวางอะไรต่ออะไรมากมาย การเราลึกถึงความตายที่เกิดที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยทาให้เธอเนี่ยขวไขในการฝึกจิตเพื่อปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางได้หลายเรื่องนะไม่่อจะเป็นเรื่องอทรัพสมบัติเรื่องเงินทองเรื่องความสําเร็จของงานการแมรวมทั้งชีวิตก็เริ่มที่จะปล่อยวางมากขึ้นในความรู้สึกผิดติดค้างใจก็เคลียร์จัดการไม่ให้มันมา ลบกวจิตใจได้ต่อไปก็เลยเกิดความสงบในใจแล้วเธอถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้ป่วยซะอีกนะไอ้ตอนที่ไม่ป่วยนี่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขนขวควในธรรมนะสนใจธรรมแต่ไม่ได้ขนไควเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมาจะมีความสุขกายแต่ว่าใจยังเป็นทุกข์อยู่เพราะการแบกเพราะการยึด จะพอได้หันมาปฏิบัติทำจริงจังนะเมื่อป่วยหรือหรือป่วยหนักเนี่ยก็ทําให้เรียนรู้การปล่อยวางนะพอไปวางใจก็สบายยิ้มแย้มได้แม้กระทั่งนอนเตียงนอนติดเตียงเลยแล้วสุดท้ายก็ยังยิ้มก็ยังคุยนะเรื่องขาขันอนะหยอกเย้าเพื่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธ ร, รมอาหารสาได้เหมือนกันนะเป็นความร่าเริง เพราะธรรมะนะธรรมะช่วยทำให้ใจได้สงบนะเป็นสงบที่เกิดจากเป็นความสงบที่เกิดจากการวางเป็นความสงบที่เกิดจากอิสระนะอันนี้เป็นความสุขที่ทแทนะ้ความสุขของคนในโลกเนี่ยมันเป็นความสุขที่อย่างที่บอกนะเกิดจากการเรากระตุ้นใจเสร็จแล้วก็เกิดความทึดติดผูกพันไม่เป็นอิสระกลายเป็ น, าน่าต เป็นธาตุวัตถุสิ่งเเสษนะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงประสบการณ์บางอย่า ง, างเช่นการเล่นเกมนะการเล่นเฟซการเล่นไลน์ติดหนักเลยและพอขาดนี่ก็เป็นทุกข์นะแต่ความสุขที่แธาตุเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบมันเป็นความสุขที่ทําให้จิตเป็นอิสระหรือเกิดจากจิตที่อิสระก็ได้ และแม้จะอยู่ท่ามกลางความยากลำบากนะแม้จะเจอทุกขเวทนาแต่ว่าใจก็นะยิ้มได้นะมีรอยยิ้มในใจนะเรียกจิตยิ้มนะจิตยิ้มนี่ก็เป็นลักษณะของผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมนะนะ่เรียกว่าจิตยิ้มแม้ว่ารอบตัวจะเต็มไปด้วยสิ่งลำบาก ทีจริงไม่ใช่เฉพาะผู้บรรลุธรรมนะปุตตชนเนี่ยก็สามารถจะทําได้เมื่อเดือนที่แล้วก็มีการจัดธรรมญาตราเนี่ยจัดธรรมญาตรานิพาคนเดินนะเจ็ดวันนะเจ็ดคืนพวกเราของทราบธรรมญาตราที่หลวงพ่อคำเขนท่านได้ริเริ่มขึ้นนะตั้งแต่เมื่อปีสี่สามแล้วก็การเดินแต่ละวันชีวิตในแต่ละ วันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสบายแต่ว่าหลายคนพบว่ามันเป็นธรรมหานศาสตนะก็เคยพูดนะให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นธรรมหานศาสตร์จริงๆนะธรรมญาติตรามันไม่ได้ลําบากเลยเพราะว่าอ่ะมันลําบากก็จริงนะแต่ว่าลําบากกายแต่ใจเนี่ยนเป็นสุขเป็นสุขไม่ใช่เฉพาะสุขตอนที่ได้พักนะบางคนเนี่ยสุขเมื่อได้พัก แต่แลาวคนก็พบว่าระหว่างที่เดินลำบากก็จริงแต่ว่ามันมีความปลื้มใจมีความภูมิใจแล้วก็มีความสงบแม้ว่าแดดจะร้อนทางจะไกลชีวิตคนเราเนี่ยก็เหมือนกับธรรมญา ต, ตานะก็คือว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องการเดินทางในะชีวิตการเดินทางและการเดินทางค น, นก็ไม่ได้รับรื่นเหมือนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บางทีมันก็ขุกกะบางทีก็เจอหลุมเจอบ่อบางทีก็ต้องปีนเขาบางทีก็ต้องลงห้วยบางทีก็ต้องเจอทางที่ไกลแต่ว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยการดําเนินชีวิตของเรามันก็จะเต็มไปด้วยความหันษานะความเล่าเริงเบิกบานนะแม้ว่าจะเจออะไรมากระทบนะแต่ว่าใจก็สงบได้ ได้ที่สงบได้นะก็เพราะว่ามีสติเป็นพื้นมีสติเป็นหลักทําให้เกิดความรู้สึกตัวทําให้ไม่ไปหลงจมอยู่ในอารมณ์ไม่ไปยึดในสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและแม้สิ่งที่ยังสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับกาย ไม่ว่ามีรูปรสกลิ่นเสียงที่อไม่น่าพอใจมากระทบนะแต่ว่าใจก็เป็นสุขได้นะเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยสติและสตินี่ทำให้เกิดปัญญาและถ้าเ ป, เป็นปัญญาทางธรรมแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ปลดปลื้งปล่อยวางได้อย่างสิ้นเชิงทำให้กิเลสเนี่ยไม่มารบกวนบีบคั้นจิตใจต่อไปเพราะว่ามันไม่มี หลงเหลือนะที่จะมารังควานจิตใจได้ล้วพูดง่ายคือว่าคนเราเนี่ยจะมีความระเริงเบื่อบานได้ก็เพราะสะติและปัญญานะไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเอาลก็พูดกันเท่านี้นะอ๋ครับ